ยังกูกรุนอยู่ในภาวะสงครามชาติบ้านเมืองกำลังขาดครูและขาดกำลังทหารแต่คำสั่งเสียของแม่ก็เร่งเร้าอยู่ข้างในใจเสมอเร่งเร้าถึงการบรรพชาอุปสมบททุกค่ำทุกคืนบางวันนอนน้ำตาไหลนึกๆไปว่าเมื่อไรหนอเราจะสลัดความอาลัยออกได้แล้วบวชให้แม่สักทีนี้เราก็อายุยี่สิบเก้าปีแล้วครจะหาโอกาสบวช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 เพื่อบรรพชาอุปสมบทอุปสมบทที่วัดราชรังสรรค์บ้านป่ายางตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระโพธิญาณมุนีคำโพธิยาโนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุตเป็นพระอุปชาพระครูสิริธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสมุพันธ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่26พฤษภาคม พุทธศักราช2488เวลา 09.00 นได้ฉายานามว่ามหาวีโรแปลความหมายว่าผู้มีความหารกล้ามากหรือแปลอีกในย่หนึ่งว่าผู้สามารถบุกเข้าไปทำลายกองกิเลได้อธิบายว่าผู้มีความเพียรใหญ่ด้วยองค์ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันประกอบด้วยองศีซึ่งเป็นเครื่องเสริมสร้างบารมี